พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่28โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่ายิตถือแม่ชีแก้วเป็นแนวทางปฏิบัติ คณะศรัทธาญาติโยมเมื่อแสดงธรรมจบลงไปแล้วจะมีหนังสือธรรมะมีอยู่สองเล่มมัง้งแจกคณะศรัทธาญาติโยมเกว่ามากพอสมควรอยู่แต่เมื่อเช้าหลวงพ่อไปที่กบถ้ากกสพงุงก็แจกหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทําเป็นตัวหนังสือใหญ่นรระ เพื่ออ่านง่ายสำหรับผู้สูงวัยแต่มาคราวนี้จะมีหนังสือธรรมะอีกของหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของท่านผู้ใดแต่หลวงพ่อเขาบอกว่าจะพึ่งแจกเนะเดี๋ยวหลวงพ่อแสดงธรรมจบซะก่อนแล้วพวกเราจึงค่อยเข้ามารับทํามาแจกเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามาันจะดุ้งเยิงวุ่นวายเฮาลูกมารับหนังสือแล้วเข้าไปจาที่แล้วก็ทาให้ กิจกรรมและกิจการของพวกเราจะไม่เรียบร้อยนะวงพ่อก็เลยให้แสดงธรรมจบซะก่อนนะวันนี้เป็นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2559อย่างที่ผู้ได้อ่านรายงานของคุณแม่พวกเราได้ฟังจบโรงสักครู่นี้ คุณแม่ได้จากไปเป็นเวลาสิบห้าปีที่ท่านจากไปก็นานถ้าจะว่านานไหมก็นานพอสมควรแต่ว่าคุณงามความดีของคุณแม่ยังกล้องอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเราจรึงทำบุญลำดับถึงปีหนึ่งปีเพียงครั้งหนึ่งแต่ตามไม่จริงอย่างที่ผดดู้เทพเท้าอ่านกล่าวรายงานว่า คุณแม่ได้จากไปเมื่อวันที่18มิถุนายน เ, าเดือนมิถุนายนแต่พวกเราทําไมจะได้มาจัดงานอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเพราะหลวงพ่อเองเอได้มาดูแลตั้งแต่คุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงได้มาสร้างพระเจดีย์แล้วจากนั้นก็ได้มาดูเหตุการณ์ในท้องถิ่นบ้านห้วยสายของพวกเราแต่บางปี เราปักพวกเราปักดัม เ, เริ่มตกก้าตั้งแต่เดือนพฤษภ า, นะาไม่ถึงเดือนมิถุนาเดือนพฤษภาลงตกก้ากันแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อมองเห็นว่าเป็นการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับพี่น้องประชาชนที่เราจะมาจัดงานในานาทช่วงฤดูฝนวันนั้นของพ่อเองจึงได้ประชุมคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเราควรจะปรับ เป็นวันอื่นได้ไหมเป็นวันใหม่ได้ไหมเออหลวงพ่อก็เลยกำหนดขึ้นมาว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาดีไหมเออก็ไม่มีใครคัดค้านเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะดีเออหลวงพ่อว่าพ่อพวกเราทำบุญก่อนนะถ้าเป็นลูกนี่ก็เป็นลูกนี่ชั้นดีนะเพอ่อพอาพวกพวกเราใช้นี่ก่อนไม่ใช่หรอนะ ถ้าาว่าพวกเราเลยวันที่18มิถุนาไปคธลกดาสิงหาเราจึงค่อยทําอันนั้นแปลว่าเป็นลู ก, ลกนี่ชั้นเลวใช่ไหมทั้ทงที่ทั้งที่งานท่านมรรณภาพไปแล้วเรามาทําบุญทีหลังใช่ไแต่นี้พวกเราทําบุญก่อนให้ท่านก่อนเลยเนี่ยหลวงพ่อว่าพวกลูกหลานของเราเป็นลูกนี่ชั้นดีที่ใช้นี่ก่อน เราทาบุญกํลังลึกถึงคุณแม่ก่อนก่อนวันที่สิปมิถุนาคราพอเราทาบุญวันที่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกเดือนตั้งแต่ดำทํามาหลายปีก่อวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกถึงความเคารพสักการะในคุณแม่ของพวกเราอย่างที่พวกที่ ได้อ่านล่าวรายงานประวัติของท่านคุณแม่เป็นเช่นไรหลว ง, งพ่อไม่ต้องบรรยายมากเพราะหลวงองหลว ง, ลงตาท่านรับรองรับประกันว่าคุณแม่เป็นเช่นไรหลวงตามหาบัวเป็นเช่นนั้นหลวงตามหาบัวเป็นเช่นใดในความบริสุทธิ์หลุดพ้นคุณแม่ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจทหายายงลูกหลานทุกคนนะที่มาร่วม ง, งานข่าวนี้ถือว่า เป็นบุญเป็นกุศลทางด้านจิตใจของพวกเราทุกๆท่านเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะทฏินีนะอันนี้คือกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่างานของคุณแม่ เ, เป็นธรรมมาเป็นมาอย่างไงแล้วจะเป็นไปอย่างไงแต่ทำไมคุณแม่วารณาภาพวันหนึ่งแต่พวกเราทำไมมาทาบุญอีกวันหนึ่ง ทำให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่จะทำบุญก็กลิ่งใจนะหลวงพ่อว่าเมื่อทำบุญทำคุณงามความดีเมื่อไหรเราไม่ต้องคิดนะคือคุณงามความดีวันยังคำ่ำถ้าทำความชั่วเมื่อไรเมื่อนั้นก็คือความชั่วจะทำที่หลังจะทำก่อนจะทำาไหนก็คือความชั่วความชั่วอย่าทำ เ, เลยดีกว่าเมื่อทำความชั่วลงไปแล้ว ความชั่วให้ผลตดเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะท่านให้พวกเราทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีไว้จะเป็นสริริเป็นมงคลสำหรับพวกเรานานเท่านาน่าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะทีนี้นะตั้งใจฟังนะโมตัสสะปะกวะโตอระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะกปูชนียานังขยะวยะธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทาตีติวันนี้เป็นวันหนึ่ง ที่มาครอพล่อบ ป, ปีที่25ที่คุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่ท่านได้จากพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานทุกหมู่เหล่าวันนี้พวกเราได้มาร่วมมารวมกันทําบุญเพื่อรําลึกถึงพระคุณของท่านเป็นเวลาเป็นปีที่25เพราะนั้นขอหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสัมโมสังเวที่ที่ธนิยกถา คือกล่าวคําที่ลาลึกถึงผู้ที่ท่านวายชนที่ท่านบระภาพลงไปเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่ง เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงกล่าวว่าพวกเราให้ตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ฟังจอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด กาจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังสู้สัง่งรัตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญา ปัญญาการเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นที่สิ่งไหนที่มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนมีน้ำหนักมากขนาดไหนในหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้ว่าจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นอันนี้คือว่าจินตามายะปัญญาภาวนาะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่เราที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นก็ mm. นำมาประพฤติปฏิบัติจนเห็นมรรคเห็นผลขึ้นมาอันนี้เรียกว่าภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญานี้เป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ หรือพระอริยะสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ท่านจะ ไ, ได้บรรลุกธรรมท่านก็ตั้งภาวนาทำจิตใจให้สงบสะก่อนเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำจิตใจผ่านความสงบนั้นนำมาพิจารณากันกลองไตรตรองเหตุและผลท่านคึงรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขึ้นมานี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่พุทธภาษิตทวา่า ส, สุสังรัตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ดัะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านที่มาอยู่นสถานที่แห่งนี้เข้ามาเพื่อฟังฟังธรรมเทศนาหรือฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อจะได้นํำทำคําสอนไม่ใช่ทำไม่ใช่ทําคําสอนของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นผู้ได้รับทำคําสอนจากพระธรรมคําอำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระทำคำสอนสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จากนั้นหลวงพ่อได้นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของตนเองก่อนในเมื่อปรปับปรุงกายวาจาใจของตนเองแล้วเป็นที่ยอมรับในใจของเราเราจึงหลวงพ่อเองจะได้นํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบ ว, ว่าเป็นที่ยอมรับไหมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวออกไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อฟังเมื่อฟังแล้วก็ให้สังเกตให้ให้ฟังด้วยความใส่ใจสนใจ จากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นสมบัติของพวกท่านเองหลวงพ่อมีแต่พวกบอกว่านี่นะขุมทรัพย์อยู่นี่นะ ว, วิธีการทํามาหาเลี้ยงชีพต้องทําอย่างนี้นะ ว, วิธีทํามาค้าขายทําอย่างนี้นะหลวงพ่อมีแต่แนะแนวชี้นําชี้แนะให้พวกเราปฏิบัติในเมื่อพวกเราปฏิบัติไปแล้วได้ผลไปแล้วหลวงพ่อเองไม่ได้แ บ, บ่งสันปันส่วนในส่วนได้ส่ว น, นที่พวกท่านได้กําไร เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหล่านั้นพลวงพ่อมีแต่เป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวให้กับพวกเราอย่างพระพุทธเจ้าพระหันตสาวกที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีห้หนทางให้พวกเราแต่พวกเราถึงเดินถึงไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงขุมทรัพย์ที่เราจะต้องได้รับอันนั้นเป็นสมบัติของพวกเราโดยตรงพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอย่างที่คุณแม่ชีแก้วท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างที่พวกลูกหลานได้อ่านประวัติของท่านจบลงไปท่านเป็นชาวบ้านบ้านนอกธรรมดาแต่จิตใจของท่านใฝ่ในการผู้สนคไปายๆว่าเป็นอุปนิสัยคงจะเป็นอุปนิสัยเก่าแก่มาแต่ดึกตำบรรพฝังอยู่ในจิตใจของท่านพอท่านมาเห็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เสาหลวงปู่มันท่านก็เกิดความเคารพนับถือเรื่มใส่อย่างบ้านห้วยสายของเราในยุคสมัยนั้นก็คนไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็ไม่เห็ น, ก, หนก็ไม่เห็นมีใครก็ไม่เห็นแต่คุณแม่ชีแก้วเป็นผู้โดดเด่นกว่าเพื่อนนี่แหละคงจะเป็นอุ ป, ปนิสยัยเก่าแก่ตรึกดำบรรแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ใช้สติปัญญาคบทบทวนกลั่นกลอง ในเรื่องเหตุและผลจนถึงอายุของท่าน30กว่าปีท่านก็ได้ออกบวชเสียสละออกมาเป็นชีจากนั้นท่านก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นชีที่ดีอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นชีที่ว่าเป็นผู้ตบกตั้งใจจริงเป็นชีที่ว่าเสียสละมาไม่ได้มุ่งหวังโลกามิตร ถึงท่านจะเป็นทุกข์ยากสมัยเป็นคารวาสก็จริงอยู่แต่เมื่อท่านเข้ามาบวชแล้วท่านไม่ได้สะแสวงหาแตกแตกต่างกว่าชีทั้งหลายทั้งปวงบางบางชีผู้บวชเข้ามาแล้วพอบวชเข้ามาแล้วก็นั่งขอนั้นขอนี้แพ้ั่นแพ้นีนนน้จนเป็นที่น่าเกลียดของคนทั้งหลายแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นมาแล้วแต่ตะกอดบางทีเห็นชีเนี่ยแปว่าเห็นผลคนขอทีเดียวละ่ะ เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายชีทั้งหลายนะให้เด็ดแนวแถวปฏิปทาของขุนแม่ของเราเนี่นะเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ภาวนาการภาวนาของคุณแม่ชี้แก้วสมัยก่อนพวกเราได้ศึกษาในประวัติของท่า น, เ, นเวลาท่านไปภาวนาออพอจิตสงบเข้าไปเป็นอุปจารสมาธินะ่ะจิตใจที่สงบเข้าไปแล้ว เจ้าท่านจะไปเห็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นไปหมดทุกอย่างพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องจะรู้อยากจะเห็นอะไรก็เข้ามากราบขอกระชิบถามท่านคุณแม่คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไเงไเลือดเลา่าเป็นยังไงจะเป็นอนาคตคุณแม่จะท่านจะพิจารณาดูแล้วท่านก็ให้คําแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ยอมรับของลูกของหลานในยุคสมัยก่อหน้าเนยเพราะฉะนั้น ผู้ใดเข้ามาใกล้คุณแม่ก่อนนะเป็นที่ยอมรับเป็นที่กราบไหว้เป็นถึงท่านจะเป็นแม่ชีก็จริงอยู่แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นคารวะาญาติโยมกราบคุณแม่ได้สนิทใหญเพราะท่านเป็นผู้มีคนนุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านไม่เป็นผู้เป็ น, ปนผู้มีสิงแปลกรักษาศีลุโบสถบริสุทธิ์บริบูรณ์ เพราะนั้นขอให้พวกชีทั้งหลายที่นั่งอยู่ทางขวามือหลวงพ่อให้มากมายควรจะยึดแนวแถวคุณแม่ชีแก้วนี่แหละ เ, เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างถึงจะท้ายายจนขนาดไหนก็เถอะนะแต่ให้เราให้พวกเรามุ่งมั่นต่อศินต่อธรรมถ้าเรามุ่งมั่นต่อสินต่อธรรมและพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากถ้าว่าพวกเราปฏิบัติธรรมแล้ว พระธรรมจมรักษาไม่อดไม่อยากไปอยู่นสถานที่ใดไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดถ้าพวกเราเป็นชีที่ดีครูบาอาจารย์จะยอมรับแล้วก็ดูแลไม่ไม่ให้อดอยากตลอดถึงเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มองดูดูลู้นะแต่ขนาดหลวงพ่อเองเป็นพระอยู่ขณะนี้เลยหลวงพ่อยังไปตั้งมูลนิธิขึ้นมาเมื่อวา น, นกับ ป, ประชุมมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่น ผูริทัตโตที่โรงพยาบาลศรีนครินทจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อเองเป็นประธานนะในมูลนิธิหลวงพ่อก็ยังบอกบ่งบอกว่าให้ดูแลพระสงฆ์สา ม, มนเณรไม่ว่านิกายใดให้ดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาให้ใช้มูลนิธินี้ตลอดถึงแม่ชีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ออกมาจากครัวออกมาจากชาวบ้านแล้วถ้าเข้ามารักษาอยู่ในโรง โรงพยาบาลศรีนครินก็ให้หมู่นีที่หอพิบาลสงหลวงปู่มั่นคุ้มครองนะหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพราะฉนั้นขอให้พวกชีทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มุ่งมั่นต่อศีลต่อธรรมต่อความพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารพอเราหามาแล้วทางโลกหามามากแล้วมันรวยก็คงจะรวยมาแล้วอันนี้มันก็คงจะขนาดนาทีหละเอาเถอะ เราไม่ได้มุ่งหวังทางโลกละปัจจัยสี่พอเป็นพอไปแต่เราพยายามมุ่งหวังเน้นเกื้อกิจตภาวนาอย่างคุณแม่ชีแก้วเป็นตัวอย่างของพวกเราอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งส่วนพระสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนกันน้องนุ่งทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในคลิปต่างๆในวิดีโอโทรทัศน์ข่าวต่างๆชื่อต่างๆที่ออกบอกออกมา ในหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆพวกเราสลดสังเวชใจไหมเห็นพระสงฆ์ทำตนไม่ดีพวกเราน่าจะดูให้ดีว่าพระสงฆ์ในยุคสมัยนี้ทำมเราไม่เร า, เราบวชมาเรายากจนเราไม่มีอยู่มีกินอย่างนั้นใช่ไหมแล้วทำเราทำตนอย่างไงจึงทำตนให้ไม่เป็นที่ยอมรับ ของพุทธศาสนิกชนเมื่อเราเข้อบวชบวชเข้ามาบวชแล้วเราก็ควรจะทําตนให้เป็นสากกยบุตรพุทธชินโนรถเด่นไหมพระพุทธเจ้าท่านยอมรับว่านักรศนักบวชของพวกเราเนี่ยใส่ชุดอยู่ในฟอร์มแบบนี้พระพุทธองค์ยอมรับเลยถึงจะเป็นลูกตาสีตาสาตามีตามาตาอะไรก็ไม่รู้แต่พอข้อบวชมาแล้วเสียสละออกจากคารวาะ ใช้ยู่ในฟอร์มนี้เพราะพระพุทธเจ้ายอมระบะับว่าอันนี้คือสากกยบุตรเป็นบุตรของสกักกายเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะภาคภูมิใจอย่างมากเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วควรจะปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเมื่อเราคิดทําพูดแล้วพุทธศาสนา ไม่ใช่ศาสนาของเราเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นวงการถ้าเราทำให้ทาให้เสียหายลงไปแล้วทำให้พุทธศาสนาเสียหายทำให้พุทธศาสานาเสื่อมเราทุกคนเข้ามาเพื่อการเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหรอพวกเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะเย็ยบย่ำทาลายพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาเหยียบย่าทำลายพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขออนั้นขอฝากไว้กับพระเนรลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายทุกๆองค์ให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยึดให้ดํารงสงสารศาสนารักษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้มีศีลศี ร, รายจารวัตรถ้าพวกเราเป็นผู้มีศีลแล้วอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ให้อดอยากพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะอันนี้เราคือพวกเราปฏิบัติ ด, ดีแล้วพระธรรมยอมรักษาพวกเราไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะอดจะอยากนะไปน่าานที่ใดอยู่ในกรอบของศีล ธ, ธรรมจริยธรรมที่ดีเอ่ไปอยู่น่าานที่ใดใครก็ตอ้ตอนรับดีทั้งหมดนั่นแหะถ้าว่าไปเอ่อยู่กับศรัทธาญาติยาโยมญาตโยมเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจ กับพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าทีู่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าหาว่าพวกเราเข้ามาเป็นครวาสเมื่อเป็นครวาสไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพกับตนเองได้พอเข้ามาบวชแล้วลก็ถือยูนิฟอร์มเออกไปหาอยู่หากินหาเที่ยวหาเตรออกนอกรูนอกทางออกไม่ใช่หลักพระธรรมวินัยไม่น่าจะถูกน ะ, เ, ะเพราะว่ายูนิฟอร์มนีเป็นยูนิฟอร์มของพระอรหรันต์ ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตนไม่ถูกเนะี่ยเป็นนรกเป็นทางเดินทีเดียวตายแล้วไม่ใช่สูนย์นะพระเนรุกหลานน้องหล ง, งทั้งหลายนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนที่พวกหลวงพ่อพูดเบืองแรกก็ได้พูดถึงชีต่อมาก็ได้พูดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดถึงศรัทธาญาติโยงก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยงก็เหมือนกันสมัยเมื่อเป็นฆรวาวาสญาติโยง เมื่อทำลงอะไรลงไปก็ ค, คิดว่าเขาเขาจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าตัวเองฉลาดแต่พอถึงผลที่สุดแล้วกฎหมายไล่ทันเข้าไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นออพอจากนั้นก็เข้าคุกเข้าตลางกันเป็นแถบเมื่อเราทำงานมานมนานแต่ผลที่สุดรางวันสุดท้ายของเราคือคุกคือตลาดมันไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะทาอย่างนั้นไม่น่าจะเป็น เป็นผลงานหรือเป็นรางวัลของเราที่ได้รับปั้นปลายของชีวิตเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการทำการทำงานไ ม, ไม่ว่าอยู่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวรั้วชา ว, ชาวสวนเป็นข้าราชการทุกระดับชั้นก็ให้สำรวมระวังสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอัตังทุ ก, กตังเสยโยกปัจชาตะปฏิทุ ก, กตัง ความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอันใดอันหนึ่งลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ฟังเอาไว้กรรมชั่วไม่ไปไหนเมื่อเราทำทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อน วันนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านในตรัสรู้ในวันเดือนเหเพนที่โครนต้นโพวันเดือน6เพนนั้นพระพุทธองค์ในตรัสรู้ทำสามอย่างตอนหัวข้ามเรปุเพนิวาสานุจติยานน ล, ลึกชาติโผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุกตูป่าตาหยานการจุติของสัพพสัตทั้งหลายการเวียนไหวตายเกิดของสัพพสัตทั้งหลายทําไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกัน ทำไมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งสวยคนหนึ่ง ง, งามคนหนึ่งขี่ไลยขี่เล่คนหนึ่งคนพิกง่งพิการบ้าใบหูหนวกตาบอดมีต่างเยอะแยะไปที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าได้มองดูดวงวิญญาณแต่ละดวงวิญญาณดวงใจทุกดวงใจที่มาเกิดในหมูมวลมนุษย์ชาติแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคน พระองค์มองดูบุพกรรมคือกรรมเก่าของเขาพระพองค์บอกว่ากรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าว่าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลจะเป็นอย่างนี้ถ้าว่าใครทำกรรมดีกรรมดีให้ผลจะเป็นอย่างนี้แต่ละคนมันมีกรรมของใครกรรมมีกรรมทุกคนเพราะนั้นกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าเรากรรมทำกรรมดีแล้วว่ากุศลกรรมถ้าเราทำกรรมชั่ว เรียกว่าอกุศ ล, ลกรรมอคุศ ล, ลกรรมกับอคุศนกรรมอคุศนกรรมคือกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลกรรมเหมือนกรรกันกรรมเหมือนกั น, นกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วกรรมดีให้ผลตนเองจะมีความสุขถ้าเท่าทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทํา เราทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้มองดูตนเองอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนีเ้เราได้ทำกรรมสิ่งไหนไว้บ้างที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันดีไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลาย ที่รู้ตัวเองว่าข้าพเจ้าเดินมาอย่างไงมาถึงจุดนี้ถ้าว่าพวกเราทาคิดทำพูดที่ไม่ดีเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะว่ามันยังไม่สายเกินไปเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่าทาอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดที่สิ่งที่มันไม่ดีเพราะนั้นอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธักและก็พร้อมกัน ในหลักของพระพุทธศาสนาทําไมครูบาอาจารย์ถึงเจนอย่างหลวงตาก็ดีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็ดีคุณแม่ชีแก้วก็ดีท่านทําไมจึงเลิศประเสริฐกว่าคู่คนทั้งหลายท่านประเสริฐประเสริฐที่จยู่ที่ตรงไหนท่านเลิศประเสริฐอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของท่านใจนั่นคืออะไรคือนามธรรมนามธรรมคือตัวผู้รู้รู้ตัวนั้นแหละคือนามธรรม แต่ร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยวโรูประธรรมคือมีร่างกายเนี่ยวรูประธรรมส่วนนามธรรมคือจิตใจในร่างกายของเราเนี่ยมีสองมีสองอย่างอยู่ดิอยู่ในตัวของเราโรูประธรรมกับนามธรรมแต่นามธรรมมองไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสาคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารคประธรรม รูปธรรมมันเป็นมาอย่างไงมันแก้ไขไม่ได้แต่จิตใจนามธรรมาตัวนั้น่ะพร้อมที่จะทำดีทำชั่วคิดดีคิดชั่วปรับปรุงแก้ไขเป็นปุตุชนเป็นพระหานได้ใจดวงนั้นท่านจะให้ความสำคัญว่ามาโนปุพังคมาธรรมมามาโนเศรษามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อเองเออได้นำทมคำสอนได้มาปฏิบัติถึงขนาดนี้แน่จะเป็นตั้งแต่ปวดเป็นส ม, มนเณรตั้งแต่ 2,500 จนถึงมาป่านนี้ 2,559 เ, เป็นเวลาส ำ, สำหรับพระ51ปีบวกเป็นส ม, มนเณรอีก Hey, 8ปีรวมเป็นละเท่าไหร่ก้าเกือบผ้า19ปีนะครันักตัทาญาตโยมโ ล, ลูกหลานเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองได้นําบางประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อยังมั่นใจว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรานั่งภาวนาเข้าไปแล้วจิตใจของเราได้รับความสงบเมื่อรับได้รับความสงบใจเป็นหนึ่งแล้วร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งกายกับใจ ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาร่างกายเหมือนกับรถนะคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถนะ่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่หลักธรรมคาสอนท่านให้ความสําคัญคนขับรถโซเฟอร์รถนี่มากกว่ารถแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ความสําคัญรถมากกว่าคนขับรถ ทำไมจึงว่าอย่งงางนั้นเวลารถไปเสียวไปชนเห็นไหมรถราคาเท่าไหร่แต่คนโซโฟเฟอร์ตายเขาให้ให้หัวละ56 0,000 บาทนะแต่ราคารถนี่ถ้ามันเสียหายเขา้าใจให้เป็นล้านสองล้านมันต่าง ก, กันเยอะนั้นเขาให้ความสําคัญเรื่องของรถมากกว่าโซเฟอร์นะแต่ในหนักคำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถ เพราะหากว่าโซเฟอร์ขับรถคันนี้ไปรถไปเฉียวไปชนนะไปชนคนอื่นเขานะเขาไม่ได้จับรถนะเขาจับโซเฟอร์ไม่ใช่เหรอนี่ก็เหมือนกันเราไปทําความกรกรมชั่วต่างๆคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วในความชั่วขึ้นมาความชั่วนั้นะจะหลั่งไหลเข้ามาหาดูเข้ามาสู่ใจของพวกเราใจของเราเป็นผู้รับเต็มๆเลยทีนี้ในเมื่อเรามีความชั่วในจิตใจ เราออกจากโลกนี้แล้วความชั่วให้ผลอันดับแรกพวกเราจะต้องไปตกนรกมาเกิดเป็นสัตว์ราาีาฉนไปทางทั่วได้ทักนั้นเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ากายกับใจนี่เป็นอย่างไรถ้าพวกเราไม่ได้ปฏิบัตินะพวกเราจะไม่รู้ น, ะนั่นแหะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวคุณแม่ชีแก้ว ที่ท่านเลิศประเสริฐกว่าพวกเรานะคือท่านนั่งภาวน า, าถ้าเราศึกษาในแนวปฏิปทาหรือ ว, ว่าประวัติขององค์ท่านทุกท่านแล้วท่านนั่งภาวนาเอ า, เ, อ า, เ, อาเป็นเอาตายจริงๆนะท่านนั่งภาวนาอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านนั่งตลอดทั้งคืนนะท่านนั่งตลอดทั้งคืนจากนั้นท่านก็ภาวน า, าหลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนให้ภาวนาพุทโธนะมหานะเน้ออย่าไปสรงจิตทรงใจไปะทา่อื่นนะ่ แต่ท่านก็บอกหลงตามหาบัวก็บอกโอ้โหการนั่งภาวนาบังคับจิตใจให้อยู่กับพุทโธนี่นะวันแรกเนาะอกมันจะแตกทั้งวันนะเพราะเราคิดมาตั้งแต่ที่คิดมาปรุงฟุ้งมาตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติเกิดมาพบใดชาติใดแล้วก็มีแต่คิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกแต่นี่บังคับให้มันสงบไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงให้มันอยู่นิ่งเออให้มันอยู่นิ่งไม่ให้มันสงบกําหนดลมหายใจเข้า แต่ก่อนก็กำหนดลมหายใจเข้าธรรมดาเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้าร่วงหายใจเข้าหายใจออกร่วงหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพธท่านพอจากนั้นพระไทยใจของวงรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เกิดญาณรัศน์เกิดฌ า, านขึ้นมาความรู้พิเศษขึ้นมาระลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุกเพนิวะสนานุสติญาต์อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่นี้มาถึงหลวงปู่มั่นของเราท่านแนะนําสั่งสอนสิทธยาทยุติท่านบอกว่าถ้าบริกรรมกรรมฐานอย่างเดียวกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันหลุดได้ง่ายมันเสือได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันหลงสนได้ง่าย เพราะฉะนั้นให้สำทับกับพุทโธเข้าด้วยนะเพราะฉนั้นท่านยังบอกหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทธโธอันนี้แหละคือความเป็นมาของกรรมฐานพุทโธของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราจะเป็นหลวงปู่ฟันก็ตามจะเป็นหลวงปู่จามก็ตามเป็นหลวงปู่ล่าก็ตามจะเป็นหลวงปู่กองแก้วของหลวงปู่คาก็ตาม ในถิ่นท้องถิ่นของพวกเราหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศจะเป็นสิทธิ์ยาวนิสิ์ของหลวงปู่มั่นแล้วตลอดถึงคุณแม่ชีแก้วของพวกเราก็ตามท่านจะได้นํากรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นมาภาวนาหายใจเข้าพดหายใจออกโธให้ฟังเอาไว้นะคณาธาญาติโยมลูกหลานอันนี้คือการภาวนาการภาวนา น, นี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิก สาธุทธาสาชนิกชนทุกหมู่เหล่าจะต้องประพฤติปฏิบัติการภาวนานเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งรักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้ถ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้บุญกุศลมหาศาลในการทําจิตให้สงบผู้ที่ใดทําผู้ใดก็ตามทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่ง จะมีความสุขทางด้านจิตใจลึกๆนัตติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบจิตใจนิ่งจิตใจสงบไม่มีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะบำเพ็ญเรื่องแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราการนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบในกบิกรรมเราอยู่ในห้องพระเราอยู่ณสถานที่ใดนั่งขัดสมาธิจากนั้นกําหนดลมหายใจ ในก่อนที่พวกเรานั่งกัตรมารที่แล้วครูบาอาจารย์สายลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบอกว่าให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกซะกอ่อนคือไหว้ครูซะกอ่อนคือไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนที่ท่านได้เอาพระธรรมคาสอนมาบอกกล่าวแนะนำพวกเราให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วก็ไหว้ครูซะกอ่อนพดโท ทำโมสังโฆพุทโธธทำโมสังโฆพุทโธธทำโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเพราะเอามือลงแล้วก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมถูไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องตามลมเข้าไปในปอดไม่ต้องตามลมไปข้างนอกให้ถือเสมือนเรายืนอยู่ข้างประตูถ้าคนเข้าไปในท่อเข้าปนคนเข้าไปในบ้านเราก็รู้ว่าคนเข้าไปในบ้าน ถ้าคนออกมาข้างนอกเราก็รู้ว่าคนออกมาข้างนอกนี้ก็เหมือนกันในเมื่อลมเข้าไปข้างในเราไม่ต้องตามลมเข้าไปเราเหมือนกับเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นหายใจเข้าออบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโถไม่ต่องแต่งลมจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกาย เป็นคนละอ่านกันเมื่อจิตใจรวมสกกเป็นหนึ่งจิงๆิงจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าโอ้ร่างกายของเราเนี่ตายแตกสลายหลงสู่ดินน้ำลมไฟแ น, แน่แต่นามธรรมาคือจิตใจที่เด่ น, ดนชัดเกิดเกิดใจดวนี้แหละจะไปปฏิสนที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกวา่าเรื่องของกายแล้วก็แนวปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เราเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีทําเป็นคนดีแล้วพวกเราอยู่นัาจากจตฐานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะการกล่าว สำมรสัมมนิยกถาในวันนี้หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนิยานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือคุณแม่สีแก้วของพวกเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นคนที่ควรกราบไหว้เคารพเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้คงเส้นควงวาเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนลูกหลานทั้งหลายพวกเราบูชาด้วยน้ําใจ บูชาพระคุณคุณแม่เนะนียกว่าปูชาจะปูชนีญานังแล้วก็ขยะวยะธรรมมาสังขาราที่หลวงพ่อได้กล่าวบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมา เ, เปิดเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบบัณฑิตนักปราชญพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนก็คือนะทำหน้าที่ให้ดีเราอยู่ในสถานะไหนเป็นขรรตการเป็นพระสงฆ์และเป็นพ่อค้าประชาชนพวกหพวกเราให้รู้จักหน้าที่ของตนเองให้เป็นคนดีดีไม่รู้จักว่าดีถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วก็แยกแยะไม่ได้ถ้ารู้จักว่าเราควรทำหน้าที่ที่ดีในเมื่อเราทำท่านี้หน้าที่ที่ดีแล้วนะเ อ, อเราก็ไม่ทำความชั่วเทำจังประโยชน์ตนไปในทางที่ดี แล้วก็ประโยชน์คนอื่นที่พวกเราอยู่ด้วยกันการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวันนี้เราได้ช่วยดูแลพราสงเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นชีเข้าไปเราก็ช่วยสงเคราะห์จะถูกปัจจัยดูแลนประโยชน์ทานเราก็ดูแลั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ทานช่วยลงร่าลงเดียนช่วยเครื่องมือแพทย์อย่างวันพุธนี้หละ พวกเราจะได้ไปฉันที่โรงพยาบาลอำเภอคำเชีอีอันนี้ก็ขอบอกประ ก, กาศวันเมื่อลืนนะไม่ใช่วันพุ่งนี้เมื่ืนนี้นะขอให้พวกเราผู้ใดว่างก็ไป ด, ด้วยไปช่วยกันอาจจะใช้มีอะไรที่จะมีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลของเราชุมชนของเราประโยชน์ท่านประโยชน์ชนวนรวมให้เกิดประโยชน์ถ้าพวกเราทําประโยชน์ตนก็ไม่ให้ขาดตกบกพรองประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ให้ขาดตกบ้อง พวกเราอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกนักนักศัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานการกล่าวสังเวทในจกถฐานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบุญบา ร, รมีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาบุญบา ร, รมีของคุณแม่ชีแก้วเสียงลา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 เมื่อนโมธนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีหนังสือแจกนะให้มารับหนังสือได้แต่หลวงพ่อมาลาได้เป็นหนังสือของใครทีหลวงหลวงปู่จันทานให้ท่านมายืนแจกอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่หนังสือหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะแจกเองเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อหนังสือมาเขานี่ไม่มากเท่าไหร่พอหลวงพ่อแจกหลายที่หลายทางไล่แข่งนะแต่ตียังไงก็ให้ พวกเราเมื่อได้ไปแล้วก็ น, นําไปอ่านหลวงพ่อมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ศึกษาได้อ่านธรรมะนะเพราะนั้นเมื่อถวายไปปรณนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ให้พรแล้วอให้พวกเราเข้ามารับหนังสือถ้าว่าผู้ใดต้องการนะแต่เมู่สเช้าเนี่ยก็ได้เมื่อเช้าก็ได้แจกหนังสือสวดมนต์ที่ทํากบสพุงแต่หนังสือชุดนั้นก็เกือบหมดแล้วละแต่คิดว่าจะเหลืออยู่ คิดว่าจะนําไปแจกที่อําเภอคําชิ อ, อีโรงพยาบาลด้วยคงจะให้หนังสือสวดมนต์แต่ทีนี้หลวงพ่อจะให้หนังสือธรรมมากนะหนังสือธรรมมากที่จะแจกในวันนี้เป็นหนังสือที่หลวงตาไปเยี่ยมวัดป่านาคับน้อยออท่านเทศยังไงท่านว่ายังไงท่านดุด่าว่ากล่าวอย่างไงเราก็เสียดายในธรรมคาสอนขององค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงหลวงพ่อจะได้นํา ทำคำสอนขององคงตามาแปลถอดเทปออกมาทำเป็นเล่มหนังสือเล่มนี้น่ะหนังสือองตาแต่ไม่ท่านไปไม่ใช่ว่าท่านจะยกย่องวัดป่านาคำน้อยนะเออท่านด่าบางเทวโอโ ห, โหเออไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันหลวงพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังนะในงตาด่าพระด่าหลวงพ่อนะวันหนึ่งเออหลวงพ่อ อทําอีกตัวหนอนขึ้นไปทีกุฏิหลวงพ่อเพราะมันมันชันใช่ไหมมันรึนนะญาติหตวงเขาก็ถวายอีกตัวนอนให้หลวงพ่อก็ทำํำพอทํามาปีสองปีทีเนี้ยมันกระดกหัวกระดกท้ายนี่เพอเราไม่ได้เทพื้นมันไว้น่ยมันวิ่งเอาทรายปูใช่ไหมพอมันกระโดกได้ทีเนี้เเยเอาไปปูที่อื่นวะของเราหนึ่งควรจะเป็นปูนซิเมนต์แล้วก็เอาอีกตัวนอนปูอีกตัวหนึ่งเขาก็เลยทําขึ้นมาเขาถวายอีกถึงเจ้าหนึงถวายอีก มันก็ดีขึ้นกว้างขวางกว่าเก่าใช่อหมหลวงพ่อเออเนี่ยอีกตัวนอนตัวนี้นะที่เอาออกไปจากกุฏิของเราก็ยังดีอยู่เอาไปทางในครัวซะไปทําทางในครัวเพราะทางในครัวฝ่ายผู้หญิงนะ่ะเออมีแต่คนเท่าคนแก่ใครเขาเดินรวสะดวกสบายถ้เ า, าเดินน่ยก่เดียวเขาจะรื้นหกล้มขาหักขึ้นมาแขนหักขึ้นมาเพราะมันรื้นที่หองวันมันเป็นดินเหนียวนะอา่าเพราะนั้น ใไปทาที่นู้นนะพระเขาบอกว่าเอ้หลวงพ่อไอ้นี่ทางฝ่ายพระนี่มันก็ลื่นเหมือนกันนี่นะก็น่าจะทำตรงนี้เยถ้าหลวงตามาเห็นนะั้นดูไม่จืด น, นะด่าหัวนะอย่ามาทำใกล้ๆไปโทนเราไปทำไกลๆนั่นะนะ่ะไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่ อ, เ, อเวลาหลวงตามาวันนี้วันพรุ่งนี้พวกเราก็ทำเลยเอยออหลวงตามาแล้วก็ทำยังไงได้มันเสร็จแล้วหลวงตาจะด่าก็คงจะไม่ด่าแรงมาก เออสุดแทแต่สู้เจ้าจะทํานะวะหลวงพอว่อครวันทีนี้พอจากนั้นหลวงตาเข้ามาใช่ไหมพอหลวงตามันแล้วมาเดือนละครั้งสองครั้งไปก่อนนะต่อมาก็เดือนละครั้งบางทีก็บางเดือนก็สองครั้งทนะีนี้พอหลวงตาไปมาแล้วก็ไปวันวันนี้นะพอพ่งนี้เช้าวันลุกขึ้นนะพระเขาก็ลุมเลยเหลนะ่านันเออลุมทําถนนเพื่อจะปลูกอีกตัวนอน พอทำได้วันเดียวเท่านั้นนหะวันลุ่งขึ้นลงตามาเองสินี่นไม่คาดไม่คิดเลยลงตาจะเว้นวันมาเอนกะันเออพอมาถึงที่นี่นพอท่านกันเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปหาที่พักของท่านทำอะไรพวกพากังงเหมือนกันไม่คาดไม่คิดว่าลงตาจะมาเร็วขนาดนี้ทำอีกตัวหนอนกับผมตัวหนอนตัวบ้าอะไรพาพวกเน มันมาภาวนามันมาหาคิดอะไรมันมาหาสร้างอะไรอีกหนีเหรอ <S <S เราไม่ได้บอกให้พระโพเนี้มันจุ้งกับเรื่องการงานนั่นแหละมันทําไมมันจุ้งขนาดนี้ทําไมมันหาคิดอะไรพระเนี่ยโอ้ยแต่คืออะไรวะพระแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่นั่นนะหลวงพ่อขึ้นไปกุฏิแล้วนะให้แต่ลูกน้องทอําเลยแต่นี้อีกสักพักหนึ่งพาะก็วิ่งขึ้นไปแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงตา ม, มาเฮ้ย ท่านมาท่านมาแล้วครับท่านท่านเห็นไหมเห็นไอ้ที่พระเจ้าทําต้นน้อนโอ้ยกระดาต้นนั้นแล้วโทษโทษทตายตายตายจายท่านี้วะเอาเลยท่นี้ท่านท่านไหวเลยโอ้ยท่านกระดาเลยเดี๋ยวนี้ท่านไปที่ไหนล่ะเดีท่านว่าท่านจะกลับแล้วแต่ท่านก็เลยเปลี่ยนใจใหม่ท่านก็เลยไปพักที่ใต้ถุนสลามท่านไม่พักที่กุฏิของท่านล่ะท่านไม่ไม่ขึ้นมากุฏิไม่มาที่ที่พักของท่านเลยโอ้ยตายตาต หัวใจของหลวงพอ่อเนี่ยหล่ตุ้มลงตรงลงเท้าเร็วกันแต่ตายแค่นี้เอาอยัางไงวะเราหังว่าเนี่ยเล้วพวกพระนันไ ม, ม่ฟังคําเราว่ะจาไน้หลวงพอ่อเลยด้อม ด, ด, ด, ด้อมด้อมมาแล้ท่านก็มานอนตะแขงเราก็เข้าไปกับเราหลวงพ่อกับตามปกติท่านก็เราไปนวดถาวายเส้นท่านแต่ตามจริงพระกถวายแล้ว่ะมุมมัมุมมักันตรงนั้นเลยแต่เราเราก็เข้าไปอีกเข้าไปก็เป็นวดถาวาย พอโนดท่านก็รู้ว่าฝีมือของหลวงพ่อเคยนวดท่านมาก่อนใช่ไหมนวดหนักแน่ตัว้องตาชอบนวดตวดหนักพอโนดตเข้าไปท่านก็นแป๊บดูเท่านั้นแหละพอนวดไปฮะมันทําไมทําอินเนี่ยพเตยมันยุ่งอะไรกเกินก่อสร้างนี่เฮ้อพ่อเตยมันทำไอีตัวหนอนตัวบ้าอะไรอีกเนี่ยเฮ้อั่อเตยทำไมยุ่งนักในการทําไมมันชอบนับในการก่อสร้างเนี่ยเฮ<ะ>้อเราก็เฉย ก็หลับตาอลไรวะงันเออท่านจะด่าท่านก็ด่าพอแล้วนะฮะท่านก็หยุดนะฮอพอหยุดท่านเหนื่อยนะแล้วก็นอนเราก็นวดเส้นต่อไปพอท่านลุกขึ้นมาเนงไงไม่พูดเลยนะเรื่องเรื่องการเรื่องตัวนอนนี่แหละพวกเราจําไว้นะถ้าว่านุกพวกเราด่าลูกลด่าหลานด่าใครก็ตามอย่าไปด่าซ้ําอีกเพราะงั้นเ่ะพอด่าแล้วไม่แล้วไป เออถ้ามดาสามวันเก็บมากว่างั้นเ่ะพอท่านลุกขึ้นมาท่านไม่พูดเลยเรื่องเตือนด่าเมื่อกี้เนี่ยท่านพูดธรรมะให้ฟังโอ้โหธรรมะวันนั้นเป็นธรรมะที่เด็ดเดี่ยวเผ็ดร้อนมากเลยว่างั้นเลยเออพอเทศจบแล้วนั้นนะเออท่านก็เอาไปยกไปโอ้ยหลวงพ่อลืออ้อมาเออก็เลยลื้อออกเลยจากตนนั้นนี่แหละแต่ว่าหลวงตาบมหาบวก ตังตางไปที่วัดนะไม่ท่านท่านจะไม่ใช่ว่าท่านจะไปยกย่องเชิดชูไปชมอย่างนั้นไม่ใช่โอ้บางเรื่องนเนี่ด่าไม่มีอันนั้นเหมือนกันนะวันนี้พวกเราอ่านอ่านนะในธรรมเทศนาที่ ท, ท่านเทศให้พระที่วัดของหลวงพ่อนะโอ้เป็นธรรมะที่น่าฟังทีเดียวเลยนะแล้ะควรจะแจกให้พระกูบาลานด้วยเต็มวงไหนที่ได้เมื่อเช้าไม่ต้องเอานะ องไหนที่ยังไม่ได้ก็เอาที่ดวงตาไปเยี่ยมวัดของเราเป็นคติตัวอย่างที่ดีนะพลูกพระหลานน้องนุ่งทั้งหลายนะเป็นหนังสือธรรมะที่น่าศึกษาที่เดียวเอารับพร ก, ก็ได้ค่อยแจก